จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส0มิบมกราคมพุทธศักราช5 5 3ตรงกับวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนสาเป็นวันพระวันธรรมบัสวนา วันฟังธรรมวันที่สาธุชนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนาได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างสารณะที่พึ่งให้แก่จิตใจด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมและด้วยการปฏิบัติธรรมทั้งสมาธิ และปัญญาที่เป็นเหมือนกับองค์ประกอบของสาระที่พื่งของใจคือเรือนใจเหมือนกับองค์ประกอบของบ้านของอาคารที่ต้องมีไม้มีปูนมีหินมีเหล็กมีทรายมาผสมกันสร้างขึ้นเป็นอาคารขึ้นมาได้ เราก็ต้องมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นองค์ประกอบในการสร้างเรือนใจสร้างที่พึ่งทางใจที่พึ่งนั้นในโลกนี้ที่ชีวิตของเราเกี่ยวข้องด้วยก็มีอยู่สามที่พึ่งด้วยกันที่พึ่งทางกายที่ได้พูดที่พึ่งทางใจที่ได้พูดถึงนี้แล้วก็ที่พึ่งทางกาย ที่พึ่งทางกายก็ได้แก่ปัจจัย4ีคือที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่หงห่มอาหารถ้าร่างกายขาดปัจจัย4ีร่างกายก็จะไม่สามารถอยู่ได้ที่พึ่งทางกายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกายและที่พึ่งชนิดที่สก็คือที่พึ่งทางกิเลส คือที่พึ่งตามความโลภตามความอยากต่างๆเช่น เ, เช่นสุรายาเมาบุรีการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนเหล่านี้เป็นที่พึ่งของกิเลสกิเลสจะเจริญเติบโตใหญ่โตขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยที่พึ่งเหล่านี้คืออาศัยอบายามุกต่างๆแต่ ที่พึ่งของกิเลสนี้เป็นอันตรายก่อร่างกายและจิตใจเพราะกิเลสเปรียบเหมือนกับเชื้อโรคของใจถ้ากิเลสมีมากมากเท่าไหร่ก็จะมีความทุกข์ความรุ่มร้อนแก่จิตใจมากไปเท่านั้นดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะสร้างที่พึ่งทางกิเลสกันคืออย่าไปดื่มสุรายาเมา อย่าไปเล่นการพนันอย่าเที่ยวกลางคืนอย่าซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช้โดยไม่จำเป็นเพราะจะสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่จิตใจเพราะจะต้องเสียเงินเสียทองไปเป็นจำนวนมาก mm. เมื่อใช้มากกว่าที่หามาได้ mm. ก็จะเป็นปัญหาต่อไปได้ ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะสร้างที่พึ่งทางกิเลสเวลาเราอยากจะมีความสุขอย่าไปหาบุหรี่มาดื่มมาสูบอย่าไปหาสุรามาดื่มอย่าไปหาสิ่งต่างๆที่มาเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับร่างกายและจิตใจของเรา กับเป็นโทษกับร่างกายและจิตใจของเรา <c oughs> เช่นถ้าเราสูดบุหรี่มากๆ ก, ก, ก็จะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ไม่ดีเพราะพิษของควันบุหรี่จะทำให้ปอดเสียหายจะทำให้อายุของร่างกายสั้นลงถ้าดื่มสุรามากมากก็จะทำให้ท้องไส้ตับไต เป็นปัญหาได้แล้วก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายและก็จะตายได้เร็วกว่าผู้อื่นนี่คือสารณะที่พึ่งทางกิเลสเราควรจะมองว่ามันไม่ใช่เป็นที่พึ่งทา ง, ทางใจแต่มันเป็นพิษเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตจิตใจของเราเวลาที่เราอยากออกไปเที่ยว ลองหักห้ามใจดูแล้วหันมาสร้างที่พึ่งทางใจที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงจะดีกว่าเช่นอยู่บ้าน <c oughs> นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเปิดธรรมะฟังหรืออ่านหนังสือธรรมะนี่เป็นการสร้างสาระสร้างความสุขให้แก่ใจที่แท้จริงถ้าเราสร้างสราระทางใจมากขึ้นเท่าไหร่ ใจของเราก็จะมีความปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆจากความวุ่นวายใจต่างๆได้เพราะเราไม่ไปสร้างเหตุที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่ใจนั่นเองนั่นก็คือความโลภความอยากได้ต่างๆความโลภนี้หมายถึงความต้องการในสิ่งที่เกินความจําเป็นของเราเช่นเรามีความจําเป็นต้องมีอะไร ก็ควรจะมีเท่านั้นก็พออย่ามีมากไปกว่าความจาเป็นเพราะมันจะเป็นการเสริมสร้างพลังให้แก่กิเลสตัณหาให้เจริญเติบโตเพื่อมาเหยียบย่าทำลายจิตใจสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้แก่เราอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นนอกจากนั้นแล้วยังเป็นตัวที่จะพา ให้เราไปเวีนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เป็นตัวที่จะพาให้เราไปทำบาปทำกรรมถ้าเราไม่ระมัดระวังเราทำความต้องการของเราโดยไม่คำนึงถึงบาปกรรมเมื่อเราทำบาปทำกรรมไปแล้วเราก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอาบายต่อไปดังนั้นการสร้าง สารณะให้แก่กิเลสจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำอย่างยิ่งมีแต่ควรที่จะทำลายสารณะของกิเลสให้หมดสิ้นไปคือพวกอบายยมุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรความเกลียดคร้านเล่นการพนัน นี่เป็นสาระของกิเลสที่จะมาทำลายจิตใจของเราให้มีแต่ความทุกข์ทรมานและจะพาให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมและเราก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายตามลำดับต่อไปสิ่งที่เราควรที่จะสร้างให้มากก็คือสาระทางใจ ถ้าเรามีสาระทางกายพอเพียงแล้วคือเรามีบ้านอยู่แล้วมีเสื้อผ้าพอเพียงแล้วมีเงินเก็บไว้สําหรับซื้ออาหารและซื้ อ, อยารักษาโรคพอเพียงแล้วเราก็ไม่ควรที่จะเสียเวลาไปกับการสร้างเงินสร้างทองสร้างอะไรต่างๆควรจะเอาเวลาที่มีค่านี้ มาสร้างบุญสร้างกุศลกันจะดีกว่าเพราะบุญกุศลนีเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของเราเรียกว่าทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์ผู้ที่จะมีความร่ำรวยที่แท้จริงก็คือผู้ที่มีอริยทรัพย์เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่แจ้จริง เพราะท่านเป็นผู้ให้เสมอท่านไม่เคยคิดอยากจะได้อะไรจากใครเลยเหมือนกับเศรษฐีที่มีเงินมากก็ไม่อยากไม่อยากจะได้เงินจากขอทานไม่อยากได้เงินทองจากคนยากคนจนเพราะรู้ว่าเขานั้นมีเงินไม่ไม่มากนะักส่วนเศรษฐีนี่มีเงินกินไปอีกสิบชาติก็ไม่หมดก็ไม่รู้จะไปเอาเงินของขอทาน ของคนยากคนมาทำไมเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านเป็นเศรษฐีทางธรรมเป็นเศรษฐีภายในใจซึ่งทำให้ใจของท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มตลอดเวลาทำให้ไม่มีความคิดที่อยากจะได้อะไรจากใครมีแต่อยากจะให้พระพุทธเจ้าให้พวกเรามาตลอด ตั้งแต่หลังจากที่พระองค์ทรงตัดสรูปเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระอนุตตรสัมโมสัมพุทธเจ้าแล้วพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ไม่ได้แสวงหาอะไรจากใครเลย อ, อีกเลยมีแต่แสวงหาบุคคลที่พึงที่จะสงเคราะห์ที่จะช่วยเหลือเช่นในพุทธกิจของพระพุทธเจ้า ในตอนเช้ามืดก่อนที่จะเสด็จออกบินธบาตจะทรงหนึ่งยานไปดูว่าวันนี้จะทรงไปโปรดผู้ใดดีผู้ใดมีจิตพร้อมที่จะรับพระธรรมอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจา้าพร้อมที่จะตัดสรุพร้อมที่จะบรรลุธรรมพระองค์ก็จะมุ่งไปสู่บุคคล น, นั้นเพื่อไปให้แสงสว่างแห่งธรรม ให้ธรรมะแก่ผู้นั้นเพราะถ้าพระองค์ไม่ได้ไปโปรดแล้วบุคคลนั้นจะไม่สามารถเห็นธรรมได้ด้วยตนเองหรือถ้าจะเห็นก็อาจจะต้องใช้เวลามากอาจจะไม่ทันการกับเวลาของภพนี้ชาตินี้คืออาจจะต้องตายไปก่อนก็ได้แล้วถ้าตายไปแล้วโอกาสที่จะได้มาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธศาสนาอีก ก็ไม่แน่นอนถ้าไม่เจอก็จะลำบากจะต้องคลำทางไปอีกเวลาเป็นเวลาอีกยาวนานแต่ถ้ามีใครมาชี้บอกเพียงคำสองคำเท่านั้นก็จะทำให้เขาหูตาสว่างขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้อย่าง ท, างทันทีอย่างที่พระพุทธองค์ทรงโปรดพระปัญจาวาคัคคีในการแสดงพระธรรมพระปฐมมัมมเทเธสนา แสดงพระอริยสัจสี่พอหนึ่งในปัญจวคีได้ยินได้ฟังก็เกิดหูตาสว่างขึ้นมา ท, าทันทีเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ท, าทันทีเห็นว่าธรรมใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาธรรนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายของเรามีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาเมื่อรู้ว่าเป็นธรรมดาแล้วใจก็ปล่อยวางใจก็ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายเหมือนกับเราไม่ยึดติดกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์จะขึ้นหรือพระอาทิตย์จะตกเราก็ไม่ได้ไปยึดไปติดกับพระอาทิตย์ปล่อยให้พระอาทิตย์ขึ้นปล่อยให้พระอาทิตย์ตกไปเป็นธรรมดาของเขา เมื่อเป็นอย่างนั้นใจของเราก็ไม่ได้วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับการตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันแต่ถ้าเราไปยืดไปติดดวงอาทิตย์เข้าเวลาดวงอาทิตย์ตกเราก็จะต้องวุ่นวายจะต้องเดือดร้อนจะต้องเศร้าโศกเสียใจเหมือนกับเวลาที่เราไปยืดติดร่างกายของบุคคลต่างๆเช่นร่างกายของพ่อของแม่ ของพี่ของน้องของเพื่อนของสามีของภรรยาหรือของตัวเราหรือของลูกเราพอเราไปยึดไปติดเราก็จะไม่เห็นว่าเกิดมีการเกิดเป็นธรรมดามีการตายเป็นธรรมดาเพราะเราจะมีความอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆ น, นั่นเองพอเราเกิดมีความอยากเกิดความยึดติดแล้วเวลาเขาเป็นอะไรไป เราก็จะต้องทุกข์ใจขึ้นมา ท, ทันทีนี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีแสงสว่างเห็นธรรมนั่นเองเรามองไม่เห็นความจริงว่าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเพราะถ้าเราไม่เห็นเราก็จะต้องทุกข์เพราะเราจะเกิดตัณหาซึ่งเป็นสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์มีความอยากเมื่อไหร่ ก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีเหมือนกับมีไฟเมื่อไหร่ย่อมมีความร้อนขึ้นมาทันทีถ้าไม่ต้องการความร้อนก็ต้องมีน้ำดับไฟน้ำดับความทุกข์ก็คือมักหรือบุญหรือกุศลนี่เองบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันหรือสารณินี่แลคือน้าที่จะดับ ความทุกข์ภายในใจของเราถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างกัตสรณะได้มากเท่าไหร่เราก็จะดับความทุกข์ดับความร้อนใจได้มากเท่านั้นถ้าเราสามารถสร้างได้เต็มที่เราก็จะดับความทุกข์ดับความร้อนใจได้หมดไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อใจไม่มีความทุกข์ไม่มีความรูมร้อนใจแล้วใจก็จะไม่มีความหิว ไม่มีความอยากมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพร้องไม่มีความเดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่ใจยังสัมผัสรับรู้เพราะใจไม่ยึดไม่ติดนั่นเองใจปล่อยวางหมดแล้วใจได้ปล่อยวางลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ปล่อยวางรูปเสียงกลดิ่นรสโผฏฐภะใจได้ปล่อยวางรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณใจได้ปล่อยวางจิตที่มีกิเลสครอบงำอยู่เมื่อใจได้ปล่อยวางด้วยปัญญาแล้วใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงไปยึดไปติดนั้นล้วนเป็นตายลัก์ทั้งนั้นต่ลักแปลว่าไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการเกิดมีการดับอยู่ตลอดเวลาถ้าไปยึดไปติดก็จะเป็นทุกข์เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นสมบัติของใครทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เป็นสมบัติของใครเป็นของธรรมชาติร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นของใครเพราะร่างกายมาจากดิ น, น้ำลมไฟซึ่งเป็นของธรรมชาติ แล้วไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟกลับคืนสู่เจ้าของเดิมก็คือธรรมชาตินั่นเองใจต้องฉลาดใจต้องรู้ทันถท่าใจไม่ฉลาดใจไม่รู้ทันใจก็จะยึดติดทันทีเหมือนกับเรายึดติดร่างกายของเราอยู่นี้เรายึดติดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเรายึดติดว่าสามีเป็นของเราภรรยาเป็นของเรา พ่อแม่เป็นของเราลูกเป็นของเราเงินทองเป็นของเราบ้านเป็นของเราอะไรอะไรที่เรามีอยู่นี้เราไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นของเราทั้งนั้นเพราะเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเราไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนของทธุตจา้าที่ทรงสอนว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่นิดเดียวมีสิ่งเดียวที่เป็นของเราก็คือใจเรานี้ท่านเอง ใจเรานี่แหละเป็นสิ่งที่วิเศษแต่ใจของเราตอนนี้ถูกความหลงครอบงำทําให้สร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราเราต้องเอาแสงสว่างแห่งธรรมมาดับความหลงมาสอนใจให้เห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นของเราอย่างแท้จริงมีใจดวงเดียวเท่านั้นที่เป็นของเราเราควรที่จะดูแลรักษาใจของเราอย่างเดียว ด้วยการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากได้อย่าไปยาไอย า, ไปยากมีสิ่งต่างๆทั้งหลายเพราะเท่ากับการไปกว้านเอาความทุกข์มาให้แก่ใจนั่นเองใจไม่ต้องมีอะไรใจเสืงจะมีความสุขอย่างแท้จริงถ้าใจมีอะไรแล้วใจก็จะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ผสมกันไปเช่นเวลาเราได้สามีได้ภรรยา เราก็จะดี อ, อกดีใจมีความสุขเวลาแต่งงานกันก็นกมีความสุขดีแต่พออยู่กันไปแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็จะเข้ามาเดี๋ยวก็ต้องเกิดการทะเลาะกันเดี๋ยวก็ต้องเกิดความห่วงใยกันเวลาไม่เห็นหน้าเห็นตากันหรือเดี๋ยวเวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจถ้าเราไม่มีสามีไม่มีภรรยาเลย เราก็ต้องเราก็ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมาทุกมากังวลกับเขานะแต่การที่เราจะหักห้ามจิตใจของเราไม่ให้อยากมีสามีอยากมีภรรยาได้เราก็ต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมต้องคอยเตือนใจต้องสอนใจอยู่เสมอว่าอยู่คนเดียวนี่ดีกว่าอยู่สองคนอยู่สองคนอาจจะมีเพื่อนแต่ในขณะเดียวกัน เพื่อนนี้ก็อาจจะกลายเป็นศัตรูขึ้นมาก็ได้เวลาที่มีความเห็นไม่ตรงกันเวลาที่ทำอะไรที่ไม่ถูกใจก็จะกลายเป็นศัตรูขึ้นมาแทนที่จะเป็นเพื่อนก็เลยกลายเป็นศัตรูใครยครบ้างอยากจะมีศัตรูยิ่งเฉพาะศัตรูที่อยู่ในบ้านเดียวกันนี้ก็เหมือนกับมีกูพิษอยู่ในบ้านของเราถ้าเราคิดอย่างนี้แล้ว เราก็จะไม่อยากจะมีสามีไม่อยากจะมีภรรยาสู้อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวนี้แสงจะสบายเพียงแต่ต้องหักห้ามจิตใจของเราให้ได้ไม่ให้อยากมีสามีไม่อยากไม่ให้อยากเสกกรรมนั่นเองไม่อยากหลับนอนกับใครวิธีที่จะหักห้ามใจไม่ให้ยักหลับนอนกับผู้อื่นได้ก็ต้องทำใจให้สงบ ถ้าใจสงบแล้วใจจะมีความสุขยิ่งกว่าการได้หลับนอนกับคนนั้นกับคนนี้ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะทำให้มากนอกจากการคอยเตือนใจเราไม่ให้ระหยากสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราก็ต้องสร้างความสุขให้กับใจด้วยการทำใจให้สงบวิธีทำใจให้สงบนี่เราเรียกว่าการนั่งสมาธินี่เองซึ่งมีหลายขั้นด้วยกัน ขั้นต้นขั้นหยาบๆยาขั้นปฐมก็คือการสวดมนต์สวดมนต์ไปเรื่อยๆโดยไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะทำให้ใจสงบได้ในระดับนั้นแต่ยังไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ต้องนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราสามารถควบคุมใจด้วยสติให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธหรื อ, อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกได้ไม่นานใจของเราก็จะรวมลงเป็นสมาธิรวมลมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาพอจิตรวมลงแล้วการบริกรรมพุทโธก็ไม่ต้องทาต่อไปการดูลมก็ไม่ต้องทำต่อไป เหมือนกับเวลารับประทานอาหารพอรับประทานอาหารอิกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรับประทานอิกต่อไปการนั่งสมาธิก็เป็นอย่างนั้นพอจิตรวมลงแล้วการบริกรรมพุโทโธก็จะหยุดไปโดยปริยายการดูลมหายใจเข้าออกก็จะหยุดไปโดยปริยายแล้วก็จะเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุขที่เลิศที่ประเสริฐ ที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขได้เท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังไม่มีสุขอื่นใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ ถ้าเรา ม, คามีความสุขแบบนี้แล้วเราจะเบื่อหน่ายกับความสุขต่างๆในทางของทางโลกเพราะเราจะเห็นปัญหาต่างๆที่ตามมาจากการที่หาความสุขทางโลก 1. ถ้าเราอยากจะหาความสุขทางโลกเราก็ต้องมีเงินมีทองเช่นเราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปดื่มเราก็ต้องมีเงิน ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องไปทำงานทำการก็ต้องเหนื่อยยากกับการทำงานทำการพอได้เงินมาแล้วถึงจะได้มาซื้อความสุขที่เราอยากได้แต่มันก็เป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอพอได้วันนี้ได้ความสุขวันนี้แล้วพรุ่งนี้ความสุขนี้ก็หายไปก็เกิดความอยากได้ความสุขใหม่ ก็ต้องไปหาใหม่อีกต้องไปหาเงินมาอีกมาซื้อมาจับมาจ่ายในสิ่งที่เราอยากไดก้ก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นแล้วถ้าเกิดมีหุปสรรักในการทำมาหากินขึ้นมาก็จะเดือดร้อนเช่นตกงานเศรษฐกิจตกต่ำบริษัทขาดทุนต้องปิดการทำการเราก็ต้องตกงานพอตกงานก็จะไม่มีรายได้ จะไม่มีเงินมาซื้อความสุขอย่างที่เราเคยซื้อได้ให้เราอยู่บ้านเฉยๆเราก็หงุดหงิดลำคาญใจกุ้มอกกุ้มใจเพราะเราใจของเราไม่สงบนั่นเองใจของเราตะเกียบตะกายด้วยความหิวด้วยความอยากด้วยความต้องการต่างๆเพราะเราไม่เคยทำใจของเราให้สงบนั่นเองแต่ถ้าเราเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิ ท่มจำใจให้สงบแล้วเวลาเราตกงานแทนที่เราจะเสียใจแล้วกับดีใจว่าเออต่อไปนี้เราจะได้มีเวลามาสร้างความสุขให้มากขึ้นนั่นเองได้เงินมานี้ไม่ดีเท่ากับได้ความสงบเพราะความสงบนี้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ให้ความอิ่มและความพอส่วนความสุขที่ได้จากการได้เงินนี้กลับทำให้เกิดความโลภความอยากมากขึ้น วันนี้ได้มาร้อยหนึ่งพรุ่งนี้ก็อยากจะได้พันหนึ่งพอได้พันหนึ่งก็อยากจะได้หมื่นหนึ่งพอได้ไดหมื่นก็อยากจะได้แสนได้ล้านอยากไปเรื่อยๆไม่มีคําว่าพอเมื่อเกิดเมื่อยังมีความอยากอยู่ก็ยังไม่มีความอิ่มไม่มีความสุขก็ต้องตะเกีกตะกายหามาอยู่เรื่อยๆและจะหาไปจนวันตายก็จะไม่หยุดเมื่อตายไปแล้วก็จะไปหาในภพหน้าน ชาติหน้าต่อไปก็ยังต้องไปเวรไหวยตายเกิดยังไม่รู้จักจบจากสิ้นต้องไปแก่ต้องไปเจ็บต้องไปตายต้องไปพลาดพลาคจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับที่เรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้เรามาเกิดในโลกนี้แล้วเราก็ยังต้องมาแก่กันมาเจ็บไข้ได้ป่วยและเราก็ต้องมาตายกันต้องมาจากสิ่งต่างๆที่เราลกเรามีความชื่นชมยินดีกัน เราไม่เห็นหรือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆที่เกิดจากใจที่ขาดความสงบถ้าเราสามารถทำใจให้ของเราให้สงบได้อย่างต่อเนื่องความอยากก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาเมื่อไม่มีความอยากใจของเราก็จะมีแต่ความอิ่มความพอเมื่อร่างกายนี้ตายไปใจก็จะไม่ไปหาพบใหม่ชาติใหม่อีกต่อไป ใจก็จะเป็นนิพพานไปใจได้ถึงนิพพานถ้าหมดความโลภหมดความอยากเมื่อไหร่นิพพานก็จะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราอย่างพ่ะพุทธเจ้าและภาษามุกทั้งหลายท่านไม่ต้องไปหาอะไรอีกต่อไปเพราะท่านไม่มีความโลภไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจของท่านแล้วท่านอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขท่านมีอุเบกขา มีปรมางสุขขังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจท่านก็เลยไม่ต้องไปทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปส่วนพวกที่ยังไม่ได้สามารถตัดความโลภตัดความอยากได้หมดก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอย่าไปคิดว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่ดี ลองไปดูคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลดูว่าเป็นอย่างไรไปดูคนแก่คนชราในบ้านคนชราที่ไม่มีใครยังเหลียวแลดูแลปล่อยให้อยู่ไปตามบุญตามกรรมไปดูคนที่ตายนอนตายในโรงศพเช่นเวลาเราไปงานศพของคนที่เรารู้จักควรจะไปเปิดดูฝาโรงหรือบ้างว่าเป็นอย่างไรแล้วเราจะได้รู้ว่า การกิเวียนไาวตายเกิดนี้มันมันทุกทรมานใจอย่างไรอย่าปฏิเสธอย่าพยายามหันหน้านี้จากสิ่งเหล่านี้เพราะจะทำให้เราไม่เห็นความจริงเมื่อเราไม่เห็นความจริงเราก็จะหลงกับความอยากกับความโลภแล้วเราก็จะไม่เห็นถึงโทษถึงผลที่จะตามมาเมื่อเรามีความโลภเรามีความอยากเราก็จะต้องไปเกิดอีก ไปทุกข์ไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกยังไม่รู้จักจบสิ้นนี่คือเรื่องของของการมาสร้างสาระเป็นอย่างนี้มาสร้างแสงสว่างแห่งธรรมมาสร้างความสงบให้แก่จิตใจเพราะเมื่อเรามีแสงสว่างมีความสงบแล้วเราจะได้แยกแยะได้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษสิ่งที่เป็นโทษเราก็จะ ปล่อยวางตัดทิ้งไปเช่นอบายามุกต่างๆบาปกรรมต่างๆเราก็จะตัดทิ้งไปเราจะมาสร้างสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์คือสร้างบุญสร้างกุศลนี้เองจึงขอฝากเรื่องของการสร้างสัมมาณะที่พึ่งทางใจนี้ให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติตามสมควรแก่กำลังแห่งศรัทธา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 นั่นในทางโลกนล่นในทางธรรมโดยทุ่น่ากันเธอ